ตอนอบรมณโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่ 20-22 ถึงมีนาคม2560ตอนที่สอะไรคือการเจริญสติอะไรคือการเจริญมรรคจิตอาจารย์อานี่เจริญสติมีการกำหนดอลหันจี้กงเนี่ยนะเขาทำหน้าที่เขาเดินเขาก็เดินแล้วก็มีเสียงดังด้วยก็ไม่รบกวนนะ เสียงนี้เป็นตัวทำให้เรามีจับจังหวะเพื่อไม่ให้มันไปคิดนะส่วนอาจารย์พยายามจะเพ่งดูอะไรเนี่ยพอเผลอปุ๊บก็ลมได้อันนั้นคือเจริญอนุสติเท่านั้นเองนะส่วนการปฏิบัติธรรมพระครูบอกแล้วต้องเจริญมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่แค่สติเออเรื่องก็มีแค่นี้ส่วนเรื่องที่สองนั้นที่ว่าที26ทุกท่านอาจจะดูแล้วนะที่มาเปิดให้ดูว่า ขึ้นกระแสสังคมตอนนี้เนี่ยนะทุกคนก็มุ่งมาที่สุขภาพแล้วเร็วนี้ญี่ปุ่นก็มีโครงการพรีเมียมไฟเดย์ก็คือว่าทุกคืนวันศุกร์เนี่ยหยุดงานก่อนเวลา็คือบ่ายสามโมงนะเพราะว่าปัญหาเยอะมากทุกคนเครียดโยครคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนนะมะเร็งฆ่าตัวตายนะทุกคนก็หันมามองแต่เนื่องจากว่าสังคมเขาเนี่ย เป็นวัฒนธรรมที่ทำงานหนักบางทีทํยี่สชั่วโมงไม่หยุดเลยหลายกะนะทาไปนะเพราะการแข่งขันการที่จะมาหยุดก่อนเวลานิดหน่อยนี่เป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็นการสะท้อนเห็นว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเรามุ่งแต่เรื่องสร้างวัตถุจนลืมสุขภาวะนะก็มีที6ีสกออกมาแล้วก็ประเทศชาติเราก็มีท่านนายกเราเองเนี่ยก็เริ่ม สตาร์ทคือทุกวันพุธอ อ, ออกมากำลังกายกันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันจะสายเกินไปหรือไม่นะเพราะเราจัดระบบชีวิตเนี่ยมนแข่งขันจนเครียดนะแล้วค่อยนั่นแต่ดีกว่าไม่ทำนะที26นี้เนี่ยทุกคนสังเกตดูยังมีการกระทำสั่งการคือมีสามท่าท่าโบกแท็กซี่นะท่าเสือหมอบ แล้วก็ท่าอะไรอีกท่าหนึ่งพวกนะรีดผ้าทุกคนทำเหมือนกันหมดยังมีการกำหนดการสั่งการเหมือนเราเต้นอาลบิกนั่นแหละนะมันก็ได้ผ่อนคลายบ้างกายภาพบำบัดนะผ่อนคลายอารมณ์ชั่วคราวแต่มันไม่ได้เข้าไปเอาอารมณ์ข้างในออกละนี้ก็เต้นตามอารมณ์สนุกสนานเพื่อให้มันเพลิดเพลินให้ลืมความเครียดแต่สิ่งที่เราทำเช็คแอนด์แดนซ์เนี่ย ไม่มีกำหนดทุกคนทําตามอิสระแล้วก็เอาอารมณ์ออกแล้วเราเรียนรู้เห็นอารมณ์เราอันนี้จะเกิดปัญญาอันนี้จะเกิดวิปัสสนานะซึ่งชีวิตเราไม่เคยหยุดเลยทําอะไรต้องควบคุมต้องสั่งการนะเพราะครูก็เลยเซตอัพโปรแกรมนี้ออกมาเนี่ยตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นสีหโปรแกรมเนี่ยดำเนินไปไม่มีขั้นตอนไม่มีท่าที่แน่นอน นะก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรเมื่อกี้นี่อ๋อหมอญี่ปุ่นนะถ้าผีดิบอะไรเนี่ยก็เหมือนเราเช็คนี่นะนะเช็คนี่คือว่าการสั่นสะเทือนเนี่ยนะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันสามารถทําให้จิตเราไปรวมศูนย์ได้นะแล้วก็ช่วงที่เราสั่นสะเทือนเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยมันก็ผ่อนคลายนะมันก็ปลดปล่อยความตึงเครียดได้บ้าง แต่เขาก็ทำอยู่แค่ตรงนั้นนะไอ้ตรงนั้นคือตัวเริ่มต้นทำให้จิตเรารวมศูนย์แล้วก็พัฒนาไปสู่จังจากเช็คเราก็แดนส์อาศัยความแรงของการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวเนี่ยนะเพื่อให้เลือดลมมันวิ่งแล้วก็พลังเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ส่งจิตให้เข้าไปในจิตในจิตได้นะครับเราไม่ได้แยกส่วนเรื่องกายภาพอย่างเดียวเราบวกกับจิตวิญญาณด้วยแล้วก็ เรียนรู้กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะคูก็สรุปนี้สั้นๆแล้วก็ต่อไปก็เป็นโปรแกรมที่ครูก้อยเราจะเป็นคนดําเนินนะเพราะครูก็ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมไม่อะไรไมัแต่พู๊บปุ๊บ ก, ก็มาเลยมานั่ง <c oughs> นะค่ะก็มีที่มาที่ไปนะคะในวันนี้นะคะโปรแกรมที่เพื่ อ, อครูก้อยได้ขึน้นมานั่งค้างพ่อครูกับคุณหมอบัญชาปุ๊บเนี่ยมีอะไรพิเศษค่ะนะคะพวกเราเพิ่งคุยกันแล้วตอนนี้เราจะทํานะคะการ พูดคุยกับคุณครูนะคะอธิบายนะคะคือคือพวกเราเป็นนักวิชาการเนาะเราเป็นครูทุกอย่างต้องเป็นเหตุผลนั่นก็คือเป็นเหตุผลแต่จริงๆแล้วเครื่องมือพ่อครูตรงนี้ไม่ต้องมีเหตุผลนะคะทุกอย่างทำด้วยธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติแต่ในในโลกของของของวิชาการทุกคนในสังคมนี้ต้องการด้วยทำอย่างนี้ตอบโจทย์ทาง วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ทางทารแพทย์เห็นสิ่งที่เราทํากันมาเนี่ย S and D inside out นะคะจิตในจิตหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนคุณครูใหม่เดินเข้ามาถึงครั้งแรกต ก, กระใจเสียงวีดๆๆออกีดกีดกีดค่ะพ่อครูกีดจนแบบรุ่นพี่กีดนะฮะรุ่นน้องมาถึงงงตกใจอะไรกันนี่นะคะมันเป็นลัทธิหรอเป็นเวทมนต์หรอเป็นการ อ, อ, อะไรเขาเรียก ว, ว่าอะไรนะ กําหนดจิตหรือว่าสะกดจิตร้อหรือภาวะหมู่เขาเรียกว่าอุปทานหมู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครูใกล้คิดว่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้400กับ500อคนมีคำถามอยู่ในใจนะคะก็เลยบอกว่าไปตั้งคำถามกันมาซิเราก็คัดเลือกคำถามได้ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นวิธีการก็คือ วันนี้โปรแกรมพัฒนาคน KPT นะคะกายฟิต จ, จิตเพิ่มโดยด้วยโปรแกรมกายฟิต จ, จิตเพิ่มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขและเติมด้วยวันนี้ด้วยว่าชื่อทั้งสองท่านอยู่ข้างล่างแต่ขอเป็นว่าบัญชากําลังสองนะคะบัญชากําลังแรกคือท่านาครูก็คือข้อครูจะตอบปัญหาเกี่ยวกับคําถามที่คุณครูถามมาพนักงานถามมาในเชิงจิตวิญญาณในเชิญในการปฏิบัติ นะคะส่วนคุณหมอจะตอบให้เราเข้าใจในเรื่องของว่าคำถามเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางทางแพทย์จะให้คําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทางทางแพทย์ว่าอะไรเห็นไหมคะเรามีเหตุผลทั้ง2อย่างเรามีวิธีการคิดแล้วมีสิ่งที่ทั้งสองท่านจะให้คําตอบกับเราคุก้ยก็ไม่รู้คุก้ยก็ราฟังเหมือนกันมีหน้าที่อ่านนะคะเราเริ่มรายการเลยดีไหมคะเราเหมือนไทยทอดเลยนะคะเพราคือนะคะไทยทอดสดแอคชั่นเลยค่ะนะคะโอเค คำถามแรกที่คุณครูเขียนมาหลอดหนึ่งสอคำถามแรกที่คุณครูเขียนมานะคะก็อ่านเลยว่าการเข้าไปในจิตนะคะเพราะครูและคุณหมอบัญชากําลังสองนะคะการเข้าไปในจิตเพื่อไปล้างวิบากกรรมคืออะไรคะคุณครูสงสัยบอกว่าเข้าไปในจิตเป็นรถจดใช้หรือไปล้างวิบากกรรมมันทําได้จริงหรือมันคืออะไรนะคะแล้วก็ทําอย่างไรถึง ให้เข้าจิตได้ง่ายๆบางคนเห็นเขาเข้ากันฉันไม่เคยเข้าเลยทำไมฉันอยากจะเข้าบ้างอะค่ะแต่ทำไมไมันไม่เข้าสักทีผ่านมาวันครึ่งแล้วค่ะยังไม่เข้าเลยค่ะหรือบางคนเป็นคุณครูเก่าอยู่กันมาเป็นปีแล้วค่ะยังไม่เคยเข้าเลยค่ะนะคะอันนั้นอัอย่างนี้เรามารู้จากคำว่ากายกับจิตก่อนในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่านนะครับคงจะผ่าน วิชาวิทยาศาสตร์มาเรื่องหนึ่งคือเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ก็คือเรื่องของพลังงานเราพิจารณานะกายเราเนี่ยเกิดมาจากแค่ไข่กับสเปิร์มเนี่ยแล้วก็โ ต, โตโตโตโตแบ่งตัวมาจนหมดแบบเนี้ยมันคืออะไรนะครับร่างกายเราประกอบไปด้วยาธาตุต่างๆถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับาธาตุต่างๆก็จะเป็นน้ำเป็นเกลือ เกลแรกนะครับเป็นโซเดียมโพแทสเซียมเป็นออกซิเจนไฮโดรเจนประกอบกันเป็นสารประกอบเรียกว่าน้ำเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราพิจารณานะครับน้ำอยู่ในขวดไหลไปไหลามาได้แช่ตู้เย็นแข็งเป็นก้อนได้น้ำละเหยเป็นไอเป็นเมฆหมอกโมเลกุลของน้ำคืออะไร คือไฮโดรเจนออกซิเจนใช่ไหมไฮโดรเจนก็คือองค์ประกอบของอิเล็กตรอนกับโปรตอนใช่ไหมอิเล็กตรอนโปรตอนคืออะไรคือพลังงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากรูปจาก ส, สารเมื่อเราดูให้ลึกลงลึกลงลึกลงเราจะพบกลุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งเราจะให้ชื่อมันว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นควาร์กเป็นฮิกส์ก็ได้ น, นี่คือกายเราเป็นกลุ่มพลังงานก้อนหนึ่งที่อาจแน่นรวมตัวกันจิตจิตคือกลุ่มพลังงานอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มพลังงานที่อาศัยการเกิดดับเรียนรู้ได้ให้นึกถึงอย่างนี้รู้จักรหัสดิจิตัลไหมครับรหัสดิจิตลัลคือรหัส ปิดเปิดสวิตซ์010101001อะไรเนี่ยเ ร, เรียงกันเป็นทางทางเป็นล้านล้านตัวแล้วรหัสดิจิตอนเนี่ยบันทึกข้อมูลได้บันทึกข้อมูลเป็นแสงบันทึกข้อมูลเป็นเสียงใช่ไหมดิจิตอนเวลาที่เราเอาเสียงเอาแสงอัดเข้าไปบันทึกเข้าไปใส่เครื่องเปิดออกมาเราก็ได้เห็นแสงได้ยินเสียงตามนั้นถูกต้องไหมครับ mm hmm. จิตก็ดิจิตอนจิต ทำงานด้วยการเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็คือ010101เนี่ยด้วยความเร็วสูงเป็นล้านล้านครั้งต่อวินาทีก็เลยต้องอยู่ในความเร็วที่ระยะที่เป็นไม่มีที่สิ้นสุดคือในวงกลมว่าดวงจิตดิจิตอนบันทึกแสงบันทึกเสียงบันทึกคลื่นนะครับเหมือนเราเงี้ยไอ้ซิมการ์ดออกมาดูเราก็ไม่เห็นอะไรนอกจากพลาสติกกับโลหะใช่แต่ทาไมข้างในมีเบอร์โทรศัพท์เพื่อน ทำไมข้างในมีบันทึกนู่นนี่นั่นเอาไว้มันอยู่ตรงไหนจิตบันทึกข้อมูลเป็นอารมณ์ครับข้อมูลอารมณ์เข้าไปในจิตนะครับประเด็นคือมันผ่านการปรุงแต่งจนจิตไปยึดกับมันสมมตินะเราไปตีหัวใครเข้าโป๊กเข้าไปสะใจครับแต่ไม่สะจิต จิตเขาจะเก็บข้อมูลความเจ็บปวดไว้แล้ววันหนึ่งถ้าจิตเ e ิร์ชไปเจอข้อมูลนั้นหมายถึงว่าเราจะต้องเจ็บเหมือนกับที่ทำเข้าไว้นี่คือกรรมกรรมไม่ได้แปลว่าไม่ดีกรรมดีก็มีอย่างเช่นไปทำบุญไปทำบุญเอาเงินไปบริจาคอิ่มบุญมากโอ้สวรรค์ตอนอิ่มบุญเนี่ยจิตบันเทึกข้อมูลอิ่มบุญไว้ไม่ได้ในสมองนะในดวงจิต ของแต่ละดวงพอเราเซิร์ชเจอข้อมูลนี้เราจะรู้สึกมีความสุขอิ่มบุญเหมือนกับอาจจะตกที่นั่งลำบากแล้วมีคนเอาเงินมาให้เราหรือเอาความช่วยเหลือมาให้เราเราก็รู้สึกมีความสุขนี่คือในขณะที่กายเป็นมนุษย์แต่ถ้าร่างกายเราไม่มีเราตายไปนะครับจิตก็จะไปเซิร์ชอารมณ์ที่เจออารมณ์แรกว่าคืออะไร ถ้าไปเซจจะอารมณ์บุญเราก็เป็นเทวดาตอนนั้นจิตก็จะอยู่ในอารมณ์ของเทวดาอิ่มบุญนะครับเสวยสุขแต่ก็เบื่อนะเบื่อก็ต้องเสวยสุขมีวิมานทิพอาหารทิพมีกายทิพถ้ากําลังโกรธแล้วตายลงนรกครับจิตอยู่ในสัตว์นรกนะครับสวยอารมณ์สัตว์นรกทันทีถ้ากําลังโลภกําลังอยาก หรือห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานก็เป็นปู่สงเฝ้าทรัพย์เป็นเปรตเป็นอสุ ร, รากายจิตกำลังหลงก็เป็นเดรัจฉานจิตกำลังเข้าฌานก็เป็นพระพรหมอยู่ในศีลเป็นมนุษย์นี่คือคำว่าพบภูมิที่เราเคยได้ยินกันอธิบายได้ด้วยแบบนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะลึกกว่าคนตั้งฟิสิกส์หน่อยแต่ก็พอจะอธิบายได้ประมาณนี้ แต่ถามว่าจริงๆแล้วจิตเนี่ยที่มันไปยึดอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันยึดมั่นถือมั่นได้ไหมถูกไหมครับพอเราเกิดมาในแต่ละชาติดำไมบางคนระลึกชาติได้เพราะเด็กบางคนเนี่ยนะเกิดมาปั๊บก็ได้ข้อมูลเก่ามาติดมาด้วยแต่บังเอิญว่ามันพูดไม่ได้ ก็เลยสื่อสารไม่ได้ก็รอดไปแต่พอโตก็ลืมนะครับอันนี้คืออาการอธิบายแบบนี้นะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำดวงจิตทุกดวงต้องทำคืออะไรคือหลุดพ้นจากความอารมณ์พวกนี้สักทีแล้วยังไงล่ะเราก็จะต้องเข้าไปในจิตให้ได้เข้าไปทำอะไรไปเรียนรู้ไปดูมัน ไปศึกษามันไปลิ้มรสธรรมอารมณ์หรืออารมณ์นั้นๆให้รู้ว่าอารมณ์นั้นๆเนี่ยมันแค่เคยเกิดขึ้นมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็วางมันไปนะครับอันนี้คือคือประเด็นเราเป็นมนุษย์เรามีความคิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะเรามีกายมนุษย์เรามีสมองมีความคิดเรามีจิตที่บันทึกอารมณ์เราก็ ม, อมีอารมณ์เกิดขึ้น คำถามอารมณ์เป็นของจริงไหมอารมณ์ถามคู่ก้อยก็ได้อารมณ์เป็นของจริ ง, รร ง, รงหรืออารมณ์นั้นสมมุติขึ้นถ้าเกิดก้อยไม่ปฏิบัติอารมณ์เป็นของจริงไน้เวลากรลูกน้องนํามาเลยค่ะอารมณ์ติดบ่วงความคิดความคิดติดบ่วงภาษาท้าทายคู่ก้อยให้ด่าลูกน้องเป็นภาษานเซียด่าไม่ได้ให้คู่ก้อยโกรธเป็นภาษาลัสินพูดไม่เป็นนั่นไงเห็นไหม อา้าวถ้ามันเป็นของจริงทำไมเราไม่ได้ละ่ะเพราะภาษามาสมมุติใช่ไหมครับแต่กายกายมันก็สมมุติจากพลังงานที่อัดแน่นรวมตัวมันเจออารมณ์พวกนี้เข้าไปมันหลั่งฮอร์โมนทำให้กายมันทุดโทรมป่วยเป็นโรคต่างๆทำให้เป็นมะเร็งทำให้เป็นภูมิแพ้ทำให้อาหารไม่ย่อยทาให้ฮอร์โมนแปรปรวนอย่างนี้นะครับนี่คือกาย แต่ถ้าป่วยสมมติคําว่ากายเราเจ็บป่วยคําถามอีกอ่ะที่เราเจ็บมาเจ็บจริงไหมเวลาพปหาคุณหมอที่ไรก็เจ็บจริงเอาสมมติคุกก็โดนมีดบาดมีดบาดนิ้วเลยเลือดไหลเลือดไหลเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมกาลังเดินไปหายาใส่เลยนะเหยียบตะปูจึ๊กเข้าไปเจ็บอะไรเจ็บเท้าสิคะตะปูนิ้วก็ โอ้ไม่รู้สิตอนนั้นสงสัยไปเจ็บเ ท, ท้าทีก็มันมาทีหลังเจ็บเท้าต่อเลยกำลังเจ็บทเท้ากำลังเจ็บทเท้าเจ็บเท้าเจ็บเจ็บเจ็บน้องแจมน้องเกดตกกระไดเอาไงวิ่งไปหาลูกอ้าวแล้วไอ้ที่เจ็บเท้าหายไปไหนเออลูกสำคัญกว่าเห็นไหม เราเจ็บไม่จริงจิตมันไปจับเฉยๆเข้าใจไหมครับนึกออกไหมบางคนเนี่ยเห็นแผลเพิ่งจะมาเจ็บทั้งที่แผลเกิดนานแล้วไปโดนอะไรเกี่ยวมาก็ไม่รู้เออรู้สึกคันๆคันๆพอเห็นแผลอิบจิบกเลยโอ้แยแล้วเป็นลมเป็นแรงเห็นไหมละ่ะแสดงว่าเจ็บไม่จริงสิเจ็บเป็นความคิดเห็นครับการแพทย์ปัจจุบันก็ยอมแล้วว่าเจ็บเป็นแค่ความคิดเห็น เจ็บสามารถ modify ได้สมมุติว่าเพื่อนคู่ก้อยเพื่อนเลิฟนะครับมาตบหลังโป๊ะเจ็บไหมอ๋อไม่เลยรักอะค่ะรคนที่<อ>ไม่ชอบขี้หน้าเดินกระทบนิดเดียวเจ็บไหมอ๋อไม่ได้นะคะเฉี่ยวคู่ก้อยไม่ได้เลยเกิดไม่ชอบออกอย่างเดียว<笑><笑>นะครับความเจ็บมัน modify กันได้ใช่ไหมครับอารมณ์ก็ก็ปรับปรุงได้เพราะจิตเราไปจับกําลังกดโกรธอยู่เนี้ย อเอินกินส้มตำปลุกดอกปูกเข็มเข้าไปแล้วท้องเสียปวดเอออย่างแรงเนี่ยจะกดอีกไหมยังไม่โกดไปห้องน้ําก่อนซิโอเคขอไปที่ก่อนนะ <laughs> ประเด็นนั้นเข้าใจนะอพอเห็นภาพแล้วนะว่ากายกับจิต ท, ทำงานยังไงนะนะครับการบำรุงกายอย่างที่บอกแล้วอาหารเหมาะสมอารมณ์แจ่มใสกอลังกายสม่าเสมอการบารุงจิตคืออะไรนะครับก็ต้องเข้าไปล้างข้อมูลนะครับก็ต้อง เรียนพวครูให้พวกครูเป็นคนอธิบายว่าแล้วเราจะไปล้างข้อมูลอย่างเงี้ยได้ยังไงนะครับเราจะไ ป, ไปล้างวิบัติกรรมข้อมูลที่คุณหมอพูดมาได้อย่างไรนะคะก็เมื่อกี้นี่มีคําถามว่าการเข้าจิตเข้ายัางไงนะเรากําลังทําอยู่นะแล้วกเ็เข้าไปแล้วจ่ายหนี้กรรมได้ยังไงใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เหมือนเราเข้าไปในเว็บไซต์นะ สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราสนใจเพลงเราไปนั่งอยู่จอคอมพิวเตอร์เนี่ยนิ้วเราจะไปกดเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเพลงใช่ไหมเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอโปรแกรมนั้นมันก็ส่งออกมาทางมอนิเตอร์ <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับมอนิเตอร์นี่เปรียบเสมือนกายตอนที่คนที่เขาเข้าไปในจิตเข้าไปในจิตปุ๊บที่บอกว่าอินไซต์เอาตอนนี้อารมณ์ข้างในเนี่ยมันสั่งข้างนอกทํา มีท่านหนึ่งพ่อครูเห็นแล้วนะพ่อครูเป็นคนไม่ค่อยจะไปบอกทายทักบอกอะไรล่วงหน้าให้สัมผัสเองแต่พ่อครูรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรนะตอนนี้เขาเป็นอะไรเขาไปอยู่ในโปรแกรมไหนนะทีนี้ถ้าเราพูดไปก่อนปุ๊บเขาไปอุ้มบทานนั้นนะ่ะนะไปสร้างอุปทานขึ้นมาพ่อครูไม่ทําอย่างนั้นมีแต่ว่าให้ดําเนินต่อไปเดี๋ยวเราก็ปิ้งเองอ๋อเราเป็นตรงนี้นะ อันนี้คือแต่วิธีเข้าไปนี่ง่ายมากนะอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไหมถ้าอยากเข้าไปเข้าไปไม่ได้นะมีครูบาอาจารย์มาจากไต้หวันนะ่พระผู้ใหญ่สายมหายานนะท่านฝึกซาเซนอันนี้เอาเป็นเอาตายเลยนะภิกษุณีตามมาด้วยไปฝึกญี่ปุ่นอะไรสมัยก่อยซาเซนอยู่ประเทศจีนเมื่อประเทศจีนเปลี่ยนระบบลัทธิคอมมิวนิสต์ปุ๊บนีย่ยาป่าพวกนี้ก็หนีไป ท่านได้ยินข่าวพ่อครูท่านก็ไปอุบวนเลยท่านบอกว่าท่านมีพลังนะมันหมุนอยู่อย่างนี้นะเพราะเขาฝึกพลังฝึกชี่กงฝึกอะไรเนี่ยนะท่านถามคําเดียวว่าจะเข้าไปในจิตยังไงพรอครูบอกอาจารย์ก็เปิดประตูเข้าไปเลยสิท่านก็นั่งคิดพั๊บหนึ่งที่ผ่านมาอาจารย์ไม่อยากเข้าอาจารย์มัวมีแต่ฝึกพลังภายใน เหมือนเรามัวแต่เจริญสติอย่างนี้เนี่ยก็เราไม่เข้าไงแล้วมันจะไปเข้าได้ยังไง mm hmm. เหมือนเราเราเดินมาเราไม่เปิดประตูเข้าไปเราจะเข้าไปได้ยังไงเรามัวแต่มาฝึกอะไรอยู่ข้างนอกมันเหมือนเปิดใจไหมคะคุณท่านพระครูใช่อเอาเป็นว่าเราต้องเปิดใจก่อนตอนนี้ไอ้ส่วนหนึ่งที่เอาเป็นว่าที่มันเข้าไปไม่ได้มันติดอะไรอันนี้ก่อน mm hmm. จิตใจจิตใจคืออะไรเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกัน มันคนละเรื่องนะจิตก็จิตใจก็ใจใจมันคือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่มีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นตัวโกดังเก็บอารมณ์แล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ในร่างกายเราหยุดเต้นไม่ได้นะเรานอนหลับก็ะชั้งถ้าหัวใจหยุดเต้นพึ่บเราก็ตายมันเป็นพลังงานที่เรามีอยู่แล้วแล้วตัวนี้แหละมันดึงให้จิตเราเนี่ยไปเกาะอยู่ที่ใจตลอดชีวิต ปกติเนี่ยบ้านหลังนี้ร่างกายเราเนี่เหมือนมันเหมือนโรงแรมจิตเป็นเจ้าของแต่ตอนนี้ไอ้ใจมันเป็นผู้จัดการมันเก่งมากมันควบคุมทั้งหมดเลยแล้วก็จิตอยู่ภายใต้อานัตของใจอย่างเขาด่าเราเสียงมันกระทบหูเนี่ยมันลงใจใจมันบอกว่ามันโกรธมากมันไม่ดีใจ แต่ใจตัวนี้มันก็บอกจิตว่าสั่งปากดานไปคืนเลยไม่งั้นเธอนอนไม่หลับจิตเรามันกลัวว่าใจมันจะเสียใจเพราะว่ามันปฏิวัติมันคุมพื้นที่หมดเลยจิตก็เลยทำตามใจก็สั่งปากดาวไปเลยพอดาวไปปุ๊บเนี่ยมันบอกว่ามันดีใจแล้วมันมีกำลังมันก็ออกลูกคือเราเอาอาหารให้มันกินไงทีนี้เขาด่ามาคืนอีก มันบอกว่ามันเจ็บใจลูกก็เจ็บใจด้วยแค่ด่าออกไปเนี่ยลูกมันไม่พอกินมันบอกจิตสั่งมือตกไปเลยจิตเนี่ยกลัวใจมากกลัวว่าใจมันจะไม่ดีใจมันก็ทำตามใจมันก็ตกไปเลยมันสะใจมันบอกดีใจมากฉันนอนหลับแล้วแล้วมันก็ออกหลานทีนี้เขาตกมาอีกมันบอกว่าตบคืนตอนนี้ไม่พอแล้วหลามันไม่พอกิน มันบอกยิงมาเลยกรุงเทพนะฮะได้ยินข่าวบ่อยๆแซงกันไปแซงกันมาแซงปึ๊บปึ๊บยิงมาเลยจิตไม่ใช่เป็นนายละจิตกายเป็นเบาใจกายเป็นนายนะอันนี้พวกคูเล่าให้ฟังก่อนว่าให้รู้ก่อนว่าจิตมันติดอะไรที่มันไม่อิสระมันมันคืนสู่บ้านมันเองก็ไม่ได้มันถูกตัวนี้ดึงไว้นะทีนี้ 3ชั่วโมงที่มันเกิดอาการนี้พ่อ ก, กูตอนอยู่28ปีที่อเมริกาเนี่ยพ่อ ก, กูเห็นขบวนการทำงานของร่างกายมนุษย์แต่บังเอิญบุญเยอะมากโชคดีมากที่ไม่รู้เรื่องาศาสนาถ้ารู้เวลานั้นพ่อ ก, กูก็ถามว่าเอ๊ะมันเรียกว่าอะไรตอนนั้นไม่รู้คาว่าอายตนะคืออะไรขันห้าคืออะไรไม่รู้แม้กระทั่งจิตใจเราก็ไม่รู้เราก็เห็นมันทั้งหมดเลยชัดเจนมากว่า มันกำลังทำงานแบบไหนก็คุยกับครูก้อยหลายหลายครั้งที่ไปศูนย์โดยเฉพาะที่ว่าเทคโนแครกที่เรียนแบบเก่งๆอย่างเดียวนะแล้วก็ชอบคิดเวลาฟังพวกครูบรรยายเนี่ยตั้งแต่คำแรกปุ๊บเอาไปคิดละคำที่สองที่สที่4ไม่ได้ยินเลยเห็นไหมเพราะเอาวิจัยเลยก็เลยไม่เข้าใจเลยทั้งหมด แต่เด็กที่ศูนย์ตัวเล็กๆพูดปุ๊บมันเข้าใจหมดเลยนะเพราะกูัไล่ให้ฟังก่อนว่าทำไมจิตมันเข้าไปไม่ได้มันติดอะไรอยู่มันถูกใจดึงไว้มันเป็นธาตุของใจใจเรามาหลอกเราตลอดชีวิตมันหลอกให้เราไปทำอะไรก็ได้นะมันดีใจมันก็สั่งให้เราไปทำตามมันดีใจมันเสียใจก็สั่งให้จิตเนี่ยสั่งร่างกายไปทาในสิ่งที่มันไม่ดีใจนะทีนี้ สชั่วโมงนั้นพ่อครูเห็นนะพ่อครูมีร้านอาหารพ่อครูมีร้านคอมพิวเตอร์ก็มันไปบริหารคอมพิวเตอร์กลางคืนก็ไปดูแลร้านอาหารคนละร้านคืนนั้นเที่ยงคืนเขาปิดร้านหมดพ่อครูไม่ยอมกลับบ้านเป็นครั้งแรกที่เขาเรียกว่าไอาการนั่งอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิเกิดมาไม่เคยนั่งนะทีนี้ไอนิสัยเราไม่ดีเนี่ยที่ว่าเราคิดทุกเรื่องที่เราได้ยินคิดทุกเรื่องที่เรามองเห็นนะ พราูก็นั่งหลับตาปุ๊บเอาอีกแล้วเอาเสียงแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆแพงก็แพงทําไมเสียงมันดังมันดึงระหว่างหูกับใจไอ้เสียงน่ยมีประโยชน์มากมันเรายินเสียงปุ๊บหัวใจเต้นปุ๊บมันดึงจิตกลับมาคืนมันกลัวจิตจะทิ้งมันมากอย่างคด่าเราทําไมเราเจ็บใจเห็นไหมเสียงมันอยู่ที่หูไง มีหมอคนหนึ่งบอกว่าเขา อ, อ่านหนังสือว่าจิตมันอยู่ที่สมองพวกกูถามว่าคุณหมอเวลาฟ้าผ่ามาตกสมองหรือตกใจตกสมองแบบนี้เหรอหรือมันตกใจตกใจจะบางทีช็อกตายเลยนะช่วงที่มันตกใจมันกระทบใจเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ทันน่ยหัวใจวายนี่คือขบวนการทํางานของร่างกายมนุษย์นะ เรามีกายคือมีอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนี้แบ่งเป็นหกทีนี้6นี้มันแยกเป็นสองส่วน5ส่วนนี้อยู่ข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรับผัสสะเขาตีเราเราก็รู้สึกลมพัดมาเราก็เย็นนะตาเราก็มองเห็นไอ้ตัวนี้เป็นรับกระแสของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส เพราะขเขาตีเราปุ๊บเราสัมผัสว่าเขาตีเรามันจะส่งมาให้จิตให้ให้ตรงใจเนี่ยใจเป็นบันทึกโปรแกรมว่าอันนี้เขาเรียกว่าเขาตีเราแต่คนตีเราเป็นเพื่อนรักเราเราก็มีความสุขมากที่เพื่อนเล่นกับเราเราบันทึกสัญญาแต่บังเอิญว่าศัตรูเรามันตีเราลงไปปุ๊บเว็บไซต์มันบอกว่าไอนี่ฉันเกลียบมันแล้วมันตีเราบอกว่าเอามันคืนเลย นี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณหกลำพังมีอายตนะตรงนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีวิญญาณมาลิงก์กันเนี่ยระหว่างหูไปส่งให้ใจไม่ได้ระหว่างหูเนี่ยมันต้องมีวิญญาณหูเนี่ับรู้เสียงและส่งไปให้มโนวิญญาณเข้าไปกล่องบันทึกสัญญาของเรานะคุณหมอท่านหนึ่งสเปเชียลหลเรื่องหู เพราะครูจิตก็เอาเอาเรื่องคุณหมอชำนาญสุดๆมาคุยเรื่องธรรมะบอกคุณหมอมนุษย์เราใช้อวัยวะตรงไหนเป็นตัวได้ยินตอบเลยว่าเป็นหูเพราะคุณหมอเก่งเรื่องหูเพราะครูบอกไม่ใช่คุณหมอบอกไม่ใช่ได้ยังไงพิสูจน์ยังไงพวกเราทุกคนคงมีประสบการณ์นี้วันใดวันหนึ่งเรานอนหลับสนิทเลยลูกหลานนอ้องร้องไห้บางทีเราไม่ได้ยิน พ่อครูบอกพก่อครูไม่ได้ทําลายภาษาถูอะไรคุณหมอทิ้งหมดเลยทําไมคุณหมอไม่ได้ยินทําไมไม่ได้ยินแต่ถ้าเรากึ้งหลัเกื่อตื่นเราได้ยินเสียงนะแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรเราต้องส่งกระแสนั้นเข้าไปในมโนวิญญาณเข้าไปในกล่องบันทึกโตแกรมถ้าเราไอ้ข้างในมันตื่นไอ้มโนวิญญาณเนี่ยมันตื่นอยู่ที่ว่ามันเกิดดับถ้ามันเกิดปุ๊บเนี่ยมันบันทึกว่าอ๋อเสียงในแดงมันร้องแต่ถ้าเราเป็นฝรั่ง เราบันทึกสัญญาโดยภาษาต่างกันเราบอกเสียงมิสเตอร์เรไอความรู้จริงๆเนี่ยมันอยู่ข้างในนะอันนี้ยกตัวอย่างคำว่าหูเนี่ยมันประกอบด้วยใบหูติ่งหูภาษาถูแล้วก็วิญญาณหูยกตัวอย่างคนนี้ตายใบๆทำไมไม่ได้ยินสมองทำไมไม่คิดไม่เป็นทำไมหัวใจหยุดเต้นมีคนตายแล้วฟื้นนะมันเกิดขึ้นได้ยังไง ตอนที่ตายแล้วบางทียังไม่ตายนะเขาเรียกว่าจิตมันออกไปข้างนอกถ้าเราถอดกายทิพเป็นเราจะรู้ว่าอะไรคือจิตอะไรคือใจอะไรคือสมองนะถ้าเราถอดกายทิพเราเราออกมาเรามานั่งเห็นไอ้คนนี้นั่งอยู่เนีย่ยไอ้คนนี้มันเราหรือเปล่านะแต่ไม่ต้องอย่าไปเรียนวิชาถอดกายทิพมันไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์และมันอันตรายด้วยพอออกไปปุ๊บ เขาเอาไปเผาเนี่ยไม่มีร่างกลับมาอย่างไรบางคนอยู่ในโรงศพอยู่นะจนวันที่เจ็ดแล้วเนี่ยอยู่ๆก็เปิดโรงศพออกมาคือจิตมันกลับไม่คืนนะแล้วคนคนนี้ตายใหม่ๆ ห, หัวใจไม่เต้นสมองคิดไม่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตวิญญาณมันออกไปแล้วเหมือนโรงงานเนี่ยเราเอาคัดเอาลงเฉพาะกายนี่มันทำอะไรไม่ได้เหมือนรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยนะ จอดไว้เฉ ย, ยๆถ้าเราไม่ไปขับนั่นก็ไปไม่ได้แต่เขากำลังสร้างรถยนต์แบบที่มันมันขับไปเองแล้วอ่ะนะเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์เราประกอบด้วยกายจิตสองอย่างใหญ่ๆถ้าไม่มีกายไม่มีจิตอารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีกายเนี่ยมารับภาษาเนี่ยนะการรับภาษามันก็ไม่เกิดเวทนาเทวดาไม่มีเรื่องนี้นะ นี่คือชี้ให้เห็นก่อนว่าที่เราเข้าไปไม่ได้หรือเข้าไปช้าหรือเร็วเนี่ยเพราะเราติดอุปทานที่เรายึดมั่นถือมั่นกับความเคยชินเราพอเหวี่ยงไปปุ๊บเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าวะเอ๊ะปุ๊บหยุดเลยนะนี่แหละเพราะเราไม่เป็นหนึ่งเร็วมากเพราะเอ๊ะปุ๊บพลังตัวนั้นแฟบเลยแต่ถ้าเราศรัทธาโทโทัเเหมือนเด็กๆ ไม่มีข้อสงสัยบอกให้ทํารรมเด็กเข้าไปง่ายมากนะเราติดบ่วงนี่คือบ่วงกรรมที่เราฝึกให้เรามีอุปทานแล้วเรายึดมั่นถือมั่นเราเป็นทาตของใจนะีจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นไปไหนไม่ได้ไปหนีออกจากล่างไม่ได้ไปไหนนะหลุดพ้นออกจากความเป็นทาตของใจและเข้าไปสู่จิตในจิตอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนแรกว่าเข้าไปยังไงเนะี่ยเราสร้างแรงเหวี่ยงขึ้นแรงเหวี่ยงนี่ทําลายสนามแม่เหล็ก เฮลิคอปเตอร์เราสตาร์ทใหม่ๆหาะไม่ได้เพราะเราเหวี่ยงแรงๆปุ๊บข้าแรงเหวี่ยงนั้นวินาทีนั้นน่ะมันมากกว่าแรงดึงดูดของโลกมันจะหอบเอาก้อนเหล็กนั้นเป็นพันกิโลหาะไปได้ชั้นใดชั้นนั้นจิตเราก็เช่นเดียวกันเราสร้างแรงเหวี่ยงให้มันเมื่อมันเหวี่ยงเต็มที่แล้วเนี่ยพลังแรงเหวี่ยงพลังแรงหมุนเนี่ยมันมากกว่าแรงดึงดูดของใจมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตแต่ถ้าทําไปด้วย ใจมันก็รบกวนเรานะมันจะสร้างลังเลสงสัยมันจะทำอะไรรบกวนเพื่อไม่ให้จิตหนีจากมันใจมันหวงจิตมากแต่ตอนนี้ใจพรอครูเหลือแต่ไอตัวปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายฟ้าผ่าลงมาตกจิตไม่ตกใจอยู่ที่หัวใจมันเหลืออยู่แค่วินโนวิญญาณเป็นตัวทำให้หัวใจมันเต้นแต่ตัวจิตเองมันไม่ได้อยู่ที่ใจอีกต่อไป ตกจิตไม่ตกใจเวทนาจะเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาเกิดขึ้นมันอยู่เกิดขึ้นที่ใจนะทุกอย่างเราดูทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยอันนี้ต้องทําไปเองแล้วช่วงที่เราไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกที่เราเหวี่ยงแรงๆเนี่ยหรือใครจะพิสูจน์นะเพราะคูมาอเมริกาใหม่ๆเพราะคูวิจัยหมดตั้งวีดีโอถ่ายทุกช็อตแล้วก็พอนั่งกันกําลังเหวี่ยงกันดีๆเนี่ยเพราะคูจะตีระฆังเนี่ยเปี้ยงเลยนะบางคนสะดุ้งเลยมัน มันตกลงไปในใจมันตกลงไปในใจแต่ถ้าคนหมุนเร็วๆเนี่ยหมุนแรงๆเนี่ไปตีล่งข้างหูเขาเลยเปลี่ยงเฉยเลยตกจิตไม่ตกใจเข้าใจไหมไอไอเมื่อไอวิญญาณที่หูเนี่ยว่าโสตวิญญาณเนี่ยมันส่งมาให้ไอไอจิตตรงนี้น่ะจิตท้องนั้นมันมันมันมันหมุนอยู่มันไม่อยู่ที่ใจแล้วถ้าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ย จะมีกําลังกล้ามเนื้อหัวใจมันจะปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงเร็วขึ้นมันอิสระที่ผ่านมาเนี่ยหัวใจสมว่ามีหน้าที่ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นเครื่องปั๊มน้าแต่ตอนนี้เอามันมาแบกรับภาระดีใจก็ลงใจเสียใจลงใจเอา ม, มาใช้งานเยอะๆเลยเราเป็นทั้งโรคจิตโรคใจจิตก็ไม่อิสระหัวใจเนี่ยทำงานหนักเกินไปพอเราเอาจิตออกมาหมุนบ่อยๆช่วงที่มันมหมุนบ่อยๆหัวใจว่างจากการกดทับของจิต มันปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายได้เร็วขึ้นอัมพีเนี่ยหายต่อหน้าพาะคููแต่ที่ศูนย์เราไม่ได้รักษาโรคนะเมืองไทยต้องระวังทำประโยชน์ทำบุญทำฟรีก็ช่างเดี๋ยวถูกตั้งข้อหาอเพราะไม่ได้รับใบอนุ ญ, ญาตแต่ว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ผู้ทมนะไอ้นี่คือเรื่องหนึ่งที่ว่าวิธีเข้าไปในจิตอขอให้ระวังอุ ป, ปทานแล้วก็พอมันหมุนนี่แรกแรเราเมือนเราใส่เจตนา เทให้มันหน่อยหนึ่งเท ใ, ให้มันหน่อยหนึ่งเราต้องอย่างรถยนต์เนี่ยเราจอดไว้หลายวันเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดเราต้องเข็นต้องรวมพลังระหว่างกายจิตเข็นเข็เขเขเมื่อติดแล้วทํำยังไง ร, รู้ไหมก็ขึ้นไปเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้ใส่เกียร์ปุ๊บดับอีกทําไมแรงไม่พ อ, อเราต้องเร่งเครื่อง<ห>เวลามันหมุนแล้วเนี่ยเราต้องเร่งมันเร่งมันเร่งมันเร่งเครื่องแล้วก็ใส่เกียร์ไปเลยขอครั้งเดียวเหมือนเหมือนเหมือนกับที่ ทุกคนกำลังนั่งแล้วทุกคนก็เกาะไว้คือไม่เปิดจิตแ<ช>ร้วก็พอแรงแล้วเฮ้ยมันแรงแล้วมันแรงแล้วฉันจะไปไหนแล้วหยุดไปฟาร์มคิดเข้ามาล <ức S 2> ึกไหมคะลึกๆสัญชาตญาณคือกลัวไม่แน่ใจหมุนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้เสียหายนะถ้าเรายืนหมุนหมุนตรงนั้นเหมือนแล้ก็เราก็ได้เจริญอาณาปณสติเลือดลมมันก็วิ่งระดับหนึ่งโรคบางโรคไม่ต้องเข้าไปในจิตแค่เลือดลมวิ่งแค่นั้นมันก็มันจะทังคุมคุมกันโรคบางโรคมันเกี่ยวกับเรื่องลมเนี่ยลมปานมันไปค้างอยู่ออื <Ha. S 2> เมื่อจิตมันออกมาแล้วเนี่ยมันมาเดินลมปานหัวใจว่างปุ๊บมันก็ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายได้แรงขึ้นถึงว่าอัมมาพาตหรืออัมมาพึกนี่ถ้าไม่ถึงขั้นว่าเส้นเรา oh หิดฝอยมันขาดนะแค่มันตีบเนี่ยฟื้นหมดมันจะปั๊มมันจะทะลวงเลย uh huh. นะอันนี้ก็คือว่าเลือดกับลมมันเป็นตัววิ่งได้เรามีท่าสี่แต่สองท่านนี้เป็นตัวปรับสมดุลของร่างกาย uh huh. บางทีเราปวดนู่นเจ็บนี่ไม่ใช่ของจริง ไม่ใช่เราไปชนอะไรเกิดเกิดอักเสบไม่ใช่เพราะลมมันค้างอยู่เมื่อเรามาเดินลมปานปุ๊บมันเดินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็หาย mm. นะครับอันนี้คือว่าวิธีเข้าไปในจิตนะอยู่ที่ว่าอย่าลังเลถ้าเราไม่เชื่อจิตเร า, เรา เ, ราเราเชื่อใครเพราะคูเตือนนะอย่าเชื่อใจใจมันหลอกเรามาตลอดชีวิตเชื่อจิตเทให้มันเลยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาเกิดมาเพื่อต้องเดินทางต่อ แต่ใจเราเนี่ยเราบันทึกสัญญากิเลสเข้าไปนั้นแหละมันจะหลอกเรานะ mm hmm. เทเข้าไปเลยและอีนิดนึงคุณหมอแล้วเข้าไปจ่ายนี่กรรมได้ยังไงอ่าค่ะใช่ใช่ไหมฮะใช่เวลาเราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเราถูกเขาชนปุ๊บขาหักนี่เจ็บไหมเจ็บเจ็บค่ะสุกไหมออ รู้สึกสุขไหมทุกใช้ไหมทุกขาไม่ตู่ขาเจ็บนั่นแหละเราต้องจ่ายหนี้กรรมด้วยความรู้สึกทุก ม, มีมีคําถามอยู่บางคาถามว่าเวลานั่งแล้วมันเจ็บขามันอะไรเอ๊ไม่ถูกจริตผมหรือเปล่าอะไรอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจริตนะนะคืออาการเจ็บปวดนะั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยมันมีเหตุ ข, ของมันอยู่บางคนมีปัญหาเรื่องขาซ้ายบางขาขวาบางคนมีปัญหาเรื่องหลังก็แล้วแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆออาการตอนนั้นก็เกิดขึ้นนะ ให้เรายอมรับบางคนนั่งเนี่ยโอ้ยโอ๊ยอ้ยร้องไห้ปวดท้องดิ้นเลยนะพอหมดเวลาแล้วจบไปกินข้าวมันไม่เจ็บถ้ามันเจ็บจริงจริ ง, งมันต้องไม่หยุดสิมันก็ต้องไม่หายสิเราเรียกว่าทรรมณม์เพื่อให้จิตยอมรับความทุกนั้นกลจ่ายหนี้กรรมทางจิต ก, ก็ไปพ่วงกับเมื่อกี้ที่คุณหมอบัญชาพูพดทางวิทยาศาสตร์ว่าว่า ในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของไปทำใครเขาเจ็บแล้วเนี่ยมันถูกบันทึกเอาไว้อยู่ในเมมโมรีที่คุณหมอที่บ้านโซนหนึ่งน่นเมื่อตะกี้นี้แสดงว่าพอเราตายไปแล้วไอ้โที่ไปทำเขาเจ็บเมื่อชาติที่แล้วอะ่ะมันยังติดกลับมามันไม่หายไปไหนมันไม่หายไปไหนแต่ว่าเรามาใช้เครื่องมือของอินไซนเอาเข้าไปปุ๊บเข้าไปเรียนรู้กับมันแล้วเจ็บแทน ย้อนก็ไปในอดีตและเจ็บเข้าไปฟังรู้สึกเจ็บนั้นมาเกิดขึ้นแล้วก็เจ็บแค่อยู่ในกรรมาฐานที่พ่อครูชอบพูดบ่อยๆก้อคุณครูก้อยเข้าใจถูกใช่ไหมคะพอมันเจ็บเสร็จแล้วออกจากกระบาดฐานเราก็เดินไปกินข้าวชั้นชั้นหนึ่งไม่รู้สึกอะไรถ้าโปรแกรมนั้นมันยังไม่หมดพอเราไปกินข้าวมานั่งอยู่ปุ๊บมันต่อต่อโปรแกรมเจ็บอีกเจ็บอีกอยู่ที่ว่าโปรแกรมนั้นอ่ะมันเป็นโปรแกรมใหญ่หรือโปรแกรมเล็กอ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดิฉันไม่เคยรู้จักพ่ะครูเลยดิฉันไม่ใช่ครูก้อย ดิฉันก็คือดอรนิสากรสาวไฮโซแต่งตัวสวยใส่น้ําหอมฟุ้งทั้งโรงเรียนไม่เคยรู้จักพ่อครูเลยแล้วก็ดิฉันก็ทํากรรมมาในอดีตแล้วพอปัจจุบันดิฉันก็ไม่รู้จักเครื่องมือนี้แล้วอยู่ๆดิฉันก็เดินไปโดนสามีทิ้งหรือเดินไปรถชนเจ็บนั่นคือดิฉันต้องรับกรรมจากอดีตใช่แต่เป็นกรรมปัจจุบันที่เรากําลังดําเนินอยู่คุณ ค, ครูกล้เข้าใจถูกไหมคะคุณหมอกับพ่อครูอ สมมติว่าเราไปขโมยนาฬิกาเขาเขาเสียอะไรเขาเขาเสียนาฬิกาเขารู้สึก<ๆ>เสียใจเสียนาฬิกาเสียใจแล้วจับเราไปขังคุกเนี่ยมันทดแทนกันได้ไหมมันคนละเรื่องอ ไ, ไอไไปขังคุกนี่มันเป็นเรื่องกติกาสังคมสักวันหนึ่งเราต้องมีความเจ็บปวดเหมือนเราคนที่เขาถูกขโมยนาฬิกานั่นแหละมันต้องฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตโดยเฉพาะคนต่อคน แล้วก็ลองลงไปก็สัตว์ใหญ่ลองลงไปก็สัตว์เล็กๆบี้หมัดมานี่ปวดหัวหักขายแย่เป็นอามภาทไอ้อย่างนั้นมันก็พ่วงไปสิคะมีคำถามที่สองพ่วงเอาคำถามแรกเลยคะ่ะพออย่างก็เองก็มียกตัวอย่างใครก้อยเองเข้าไปในจิตในจิตจ ต, ตอนที่อินเซียลเข้าไปพออินเซียลไปรู้สึกเจ็บไปหมดเลยคะ่ะเพราะกูเจ็บต่ำเนื้อต่ำตัวเข้าไปเหมือนโดนยาพิษ ตบใหญ่เลยรูปทั้งเนื้อทั้งตัวบางอารมณ์บางฟิลร้ลองไห้อย่างวันนี้ก็เจอลูกน้องบางคนเก่งเก่งเก่งหายใจไม่ทันเหมือนคนจะช็อกอาก้างบางคนก็ร้องไห้อดขวดนี่คําถามนะั้นเริ่มมันนะเธอเริ่มมันนะดิฉันถามเองดิฉันยังมันเลยใครไม่ได้ยินเสียงชัดเจนบ้านด้านหลังมีมะมียกมือเลยค่ะจะได้ขยับยลุกขึ้นนั่งไปใกล้ๆนะคะ ไม่มีนะแสดงว่าทุกที่ได้ยินเสียงพ่อครูคุณหมอและคุณครูใกล้ชัดเจนนะคะอารมที่เห็นค่ะคุณคุณคุณหมอแล้วพ่อครูที่เห็นลูกน้องและตัวเองเป็นพอเข้าไปจิตในจิตเข้าไปปุ๊บรู้สึกอย่างที่ก้ยบอกมันคืออะไรคะมันมันอาการที่เกิดขึ้นนี้มีเกิดมาได้จากอะไรถ้าเกิดถามในวงการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ คุณหมอต้องตอบให้คุณครูย่อยและลูกน้องเข้าใจแล้วละและถ้าเกิดเป็นด้านจิตวิญญาณของพรอครูพรอครูจะให้คําอธิบายอย่างนี้ได้อย่างไรและไอการแสดงท่าอย่างนี้ที่เห็นนะมันมีประโยชน์ยังไงเห็นบางคุณครูบางคนนะักขดเลยค่ะบางคนนี่เหมือนกับไม่เคยแหกขาขอโทษนะคะพรอครูเป็นครูเรียบร้อยค่ะอาจารย์แหกขาหมดเลยค่ะโอ้ร้อยแปสิามรไม่รู้จะกี่องศาแล้วคอนี่หมุนอะไรฮะบางคนก็เหมือน เอ อ, อะไรโยคะเหมือนอะไรก็ไม่รู้มีท่าหลายคนสวยนะ้าดาบอกว่าครูก้อยคนนี้โยคะสวยมากอ่อนช้อยมากเลยซึ่งเขาเป็นครูสุภาพเรียบร้อยมันคืออะไรกันคะพ่อครูแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรและที่สําคัญคําถามทีเดียวยิงสามคำถามเลยค่ะและวิธีการที่เราทํากันตรงเนี้ทาให้พวกเราพ้นทุก์ได้อย่างไรก็ยิง3ามคำถามนะคะคุนหมอนะตั้งใจดีๆนะคะนะอาการที่เกิดขึ้นคืออะไร และมันมีประโยชน์อะไรในการทําและที่ทํามันไปพ้นทุกยังไงที่เมื่อกี้พ่อครูบอกว่าทำนี่แล้เราเคยทําเขาเจ็บเราไปเรียนรู้ว่าเจ็บไอ้เจ็บไปแล้วเราพ้นทุกคะพ้นทุกยังอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเกิดเชิงวิทยาศาสตร์เชิญคะ่ะในส่วนของหมอนะครับในเบื้องต้นจากที่ได้ใบเรื่อง ron, อิเล็กตรอนโปรตอนยังพอจาได้เนาะอิเล็กตรอนก็หมุนโปรตอนก็หมุนในตัวเองอิเล็กตรอนก็หมุนรอบโปรตอนดวงดาว โลกโลกก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมครับในจั ก, กรวาล น, นี้ที่เราเห็นนิ่งๆอยู่นี้ทุกอย่างหมุนหมดจิตก็เคลื่อนที่เกิดดับด้วยการหมุนเช่นกันนะครับนี่คือธรรมชาติเอาละการทํางานของจิตคือบันทึกโปรแกรมอารมณ์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยใช้กรรมแล้วเห็นชัดๆเลยก็คือตอนเด็กๆนะครับประมาณสักสิบขวบนี่สนมหาสนไปลังแกสัตว์เอาประทั น้อยอันเล็กๆใส่ปากกิ้งก่าแล้วก็จุดฉนวนช้าแล้วปล่อยให้มันวิ่งแล้วมันก็ไประเบิดอยู่ในป่าหญ้าคาซึ่งมันไม่ตายครับเพราะมันเป็นประทัดเล็กแต่มันอ้าปากค้างตัวซิดไปครึ่งตัวแล้วก็ลืมเหตุการณ์นั้นไปทำไมถึงจำได้อายุครบบวชบวชตามประเพณีแค่สองสัปดาห์ตอนปิดเทอมเรียนปิยญญตรีก่อนจะมาเรียนแพทย์คือเรียนปิญญาตรีจบก่อนแล้วไปต่อแพทย์อีกปี ตอนตั้งแต่บวชตั้งแต่คลองผ่าเหลืองเนี่ยปากเป็นแผลระบมแพดานลอกเจ็บเป็นแผลคอแสบมากกินอะไรไม่ได้เลยเจ็บสุดๆถึงตอนนั้นเนี่ยเมื่อสวนมนทํทสมาธิจิตมันเข้าไปเห็นที่ทำเขาไว้เออมันเจ็บอย่างนี้เนาะงั้นขอโหสิกรรมนะฉันรู้แล้วว่าเจ็บยังไงฉันขอโหสิกรรมฉันจะไม่เบียดเบียนสัตว์นี่ก็คือกรรมที่ต้องใช้ ในชาติเดียวกันมีอยู่คราวหนึ่งเข้าจิตในจิตอย่างเงี้ยกาลังนั่งเหวี่ยงๆอย่างเนี้ยมันปรุงเป็นภาพมีทหารพม่าเดินมาถือดาบเงื้อมาเลยครับเอาไม่เอาใช้ไม่ใช้เคยไปฆ่าเขาไว้เคยไปตัดคอเขาไว้อ่ะใช้ไม่มีอะไรแล้วนี่จิตเราอยู่เหนือตรงนั้นแล้วเราเป็นผู้ดูพอ ยื่นหัวให้มันเลยมันตัดชั่วลงมารู้สึกอารมณ์ว่าเวลาโดนตัดคอนะ่ะเป็นยังไงแต่นั่นคือโปรแกรมในจิตที่เรารู้สึกรู้สึกจริงๆนะแต่ไม่ตายแต่ถ้าไปใช้กรรมจริงๆแบบกิ้งกานนะ่ะตายไหมตายไหมแล้วทํามากี่ครั้งทํามากี่ชาติแล้วแล้วจะใช้เมื่อไหร่จะหมดนะครับการเข้าไปเนี่ย อุบายวิธีที่พวกครูนํามาเนี่ยเป็นวิธีเดียวที่ทําให้ความคิดไอ้ที่สมมุติทั้งหลายมันดอบลงพอมันดอบลงปับ๊บไอ้จิตเดิมที่มันอยากจะหลุดจากใจอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปเซิร์ชข้อมูลจิตในจิตซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยจะไปเห็นอารมณ์ที่บันทึกเอาไว้ไม่ว่าจะบันทึกในชาตินี้หรือบันทึกในชาติก่อนๆนี่คือการระลึกชาติการระลึกชาติไม่จําเป็นจะต้องปา ลงข่าวหน้าหนึ่งไม่จาเป็นจะต้องมีอะไรเลยแค่เข้าไปเห็นข้อมูลที่บันทึกไว้ของใครก็ของมันไปใช้กรรมไปเรียนรู้สมมติว่าเราไปใช้อารมณ์ เ, เจ็บขาเจ็บปวดทรมานแล้วก็บางทีก็ถึงอารมณ์ตายถ้าว่ากรรมมันแรงมากถามว่าตายในจิตหลายๆรอบเนี่ยคุ้นเคยไหมให้ใหคุ้นไว้ตายเป็นเรื่องเล็กไว้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไ ม, ไม่กลัวตายทุกชาติยังไงก็ตายเกิดชาติไหนก็ตายจะชาติดีชาติชั่วก็ตาย <c oughs> ตายหมดเลยแล้วไงอ่ะ <c oughs> จิตมันก็จะเรียนรู้ว่าไอ้ภพชาติไอ้ความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันยึดไม่ได้เลยอเออเมื่อมันยึดไม่ได้เหมือนก็เบาวิชาแรกที่เราจะเจอก็คือเข้าไปจิตในจิตไปเห็นธรรมในธรรมธรรมอารมณ์ไปเห็นความรู้สึก อดีตชาติเป็นอะไรมาอดีตคุณเคยเล่นโยคะมาชาตินี้ไม่เคยเล่นโยคะแต่พอเข้าไปในจิตเป็นโยคะได้มันปรับแป๊บเดียวเองร่างกายมันยอม อ, อดีตคุณไม่เคยเออคุณเคยฝึกมวยเส้าหลินคุณอยู่เส้าหลินแต่คุณตายมาคุณมาเกิดเมืองไทยคุณรำมวยเส้าหลินได้เอออดีตคุณโอ้โหแบบเอาเป็นว่า จะมีใครไหมที่คิดว่าตัวเองจะลงไปเลื้อยบนพื้นได้ชาติไหนสักชาติคุณเป็นงูเป็นพญานาคเห็นเลื้อยหลายคนเลยค่<น>ะบางนคนก็คลานเป็นเสือทำร้ามาบางคนเสียงมาเลยก <นะ S 2> ับเสือตะกุยแขกแขกๆอยู่การเข้าไปในจิตนั้นน่ละคือการเข้าไปให้จิตได้เรียนรู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอารมณ์ใหญ่ๆอย่างชาตินึงเป็นพญานาคนี่ใหญ่ไหมใหญ่สิคะพญานาคห้าเสียนี่ด้วยนะโอ้ใหญ่มาก กว่าจะหลุดเป็นปีนะครับต้องเสพอารมณ์เนี้ยอยู่กับอารมณ์เนี้ยเป็นปีเลยเลื้อยกันหัวหัวสนามท้ายสนามกันเป็นปีเลยครับที่พูดดตนเองปะคะเนี่ยนะครับเป็นพญาเสือถึงจุดสุดท้ายของอารมณ์บนพื้นธรรมดา น, นี่แหละแต่มันเห็นเป็นเหวลึกมากโดดไหมจะจะทิ้งไหมร่างนี้จะทิ้งไหมพญาเสือดำจะทิ้งไหม ยังใหญ่ยางเลยยังใหญ่อยู่เลยแต่จิตมันฝึกมาเยอะมันทิงมันบอกไม่เอาแล้วชาตินี้ขอไปแล้วกระโดดตัวลอยวืดโลนมาปากกายภาพไม่เป็นเลยแต่นั่นคือตายเรียบร้อยแล้วในชาติของเสือแต่นั่นคืออารมณ์ที่เราไปใช้เราไปวางและ ว, วางไปเรื่อยๆนี่คือการเข้าไปจิตในจิตเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณญาณรู้สัญญาณอาดีตชาติคพูดคานี้ที่หลัง เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าไงพอเข้าไปสาคัญที่สุดเข้าไปเรียนรู้ไปเห็นแล้ววางอยากไปติดพอติดปุ๊บคุณจะเป็นทรงเจ้าเข้าผีพอถ้าติดปับ๊บเฮ้ยชาตินี้อ่อนแอมากชาติที่แล้วเคยเป็นเจ้าแม่กูก็จะเป็นเจ้าแม่อยู่ชาติที่แล้วนี่แหละแต่นั่นมันคือของอดีตที่มันเคยเป็นมาแต่ไม่ใช่ชาตินี้นะครับพอ เราไปเรียนรู้เรื่อยๆเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะมีอยู่ธรรมอารมอยู่กลุ่มประมาณอารมณ์งที่เราจะใช้ดำเนินมักที น, นี้พอเข้าจิตไอ้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยสบายๆไม่ได้มีอะไรเข้าไปเพื่อให้ร่างกายมาได้ปรับสมดุลธรรมชาติของมันนะครับหรือจะเอาไปใช้ก็ได้ถ้าใช้เป็นไม่ติดกับมันอย่างเมื่อตอนเช้าคุณครูก้อย มีคนมากรซิ บ, บอกว่าคุณก้อยขอเชิญท้ายห้องนะครับก็มีคนมาสังเกตอะไรกับหมอก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าหันแค่แวับเดียวหมอไปหลังห้องแล้วตอนนั้นคือเข้าไปในจิตแล้วก็ใช้พลังภายในที่เคยฝึกมาใช้วิธีเขาเรียกว่าทยานพุ่งไปคนที่เห็นภาพภายนอกไม่รู้นะเขาบอกว่าเหมือนหมอเท้าไม่ติดพื้นเ่ยเหมือนลอยไป แต่ตัวเองก็คือวิ่งนั่นแหละแต่การวิ่งเป็นวิธีที่ใช้พลังภายในในการวิ่งก็เลยทําให้ไปถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วเหมือนเหาะไปเป็นอย่างนั้นนะครับ ซ, ซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งอย่าไปติดอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันจะมีอภิญยาหรือวิเศษวิโสอะไรให้เก่งแค่ไหนก็ตายไม่มีใครไม่ตายเทวดาอายุยืนแค่ไหนก็ตายนะครับนี่คือ สิ่งที่ประสบกับตัวเองแล้วทําให้รู้ว่าอ๋อแล้วอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้แล้วเข้าไประลึกรู้แล้วเข้าไปวางพอระลึกรู้แล้ววางแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรกระทบไม่ใช่ทั้งนั้น <c oughs> เหวี่ยงทิ้งอารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้เดินเดินถนนอยู่น้ําท่วมถนนแท็กซี่วิ่งผ่านเปียกไหมเปียกไหมเปียกโกรธไหมโกรธไหม หน้าก โ, น <laughs> โกรธเนาะโกรธแต่ฝึกมาดีตกจิตไม่ตกใจไม่รู้สึกอะไรเวียงทิ้งก่อนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอารมณ์ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เร็วไม่เท่าจิตเราที่ฝึกมาจิตเวียงทิ้งปั๊บไม่รู้สึกอะไรเลย <laughs> โกรธทำไมเปียกไปแล้วมันโกรธแล้วมันจะแห้งไหม <laughs> อ่ะเออเออก็ไม่โกรธ <laughs> ก็เฉยเฉยโอย แล้วยังไงอย่าไปทำคนอื่นเขานะโอโหสิกบไปอย่าไปทำคนอื่นเขานะอะไรอย่างนี้นะครับถือของมาพลุงพลัง iPad หนึ่งแผ่นตกแปะลงพื้นเนี่ยตกใจไหมใจเสียมคนธรรมด า, าใจเสียเพราะกำลังตกปุ๊บอแพงด้วยมันเห็นเป็นภาพสโลโมชันครับค่อยๆตึ๊อๆพลิกแปะต ก, ต ก, ต ก, ตกหายดูออแตกแล้วไงเหมือนคนไรอารมณ์เนอะ แต่มันก็อย่างนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วจะจะไปเสียใจทําไมล่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเรียกว่าไม่ต้องมีอะไรมากระทบกระทบก็ไม่กระเทือนอแล้วสิ่งที่คุณทํามันทําให้พ้นทุกข์ได้ยังไงคําตอบมันอยู่ในนี้แหละอยากให้พ่อครูช่วยขยายความะนะครับเชิญพ่อครับเมื่อกี้คุณหมอเกินเรื่องระลึกชาตินะยุคนี้เราก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้สยศาสตร์หรือเปล่า นะวันไหนเราไปเที่ยวศูนย์พระลาน่อยนะนางวิสาขาเนี่ยขวบบรรลุสวสดาบันแต่ที่ศูนย์ตอนนี้มี5ขวบนะชีน้อยนะกองทัพธรรมมาเกิดแล้วนะ <c oughs> คือพ่อครูอยู่ที่นั้น28ปีพ่อครูค่าคอมพิวเตอร์เราไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เราต้องการหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไอ้เรื่องมาพูดเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปคุณโทษนี่ปฏิเสธตลอดเวลา แต่หลังจากเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้เราไม่รู้อะไรเลยนะครับมีหลายเคสหลายกรณียิ่งกว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นาศาสตร์วิชานิดหนึ่งนะิดหนึ่งนิดหนึ่งะท่านนั่นเองซึ่งไปค้นพบความจริงในบางอย่างของธรรมชาติตอนนั้นเองนะวิทยาศาสตร์คือาศาสตร์วิชาไปค้นพบความจริงในบางอย่างของธรรมชาติ ตอนนี้เรามีมือถือไล้สายเราใช้ระบบคลื่นนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์สร้างคลื่นขึ้นมานะคลื่นมันมีอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ไปค้นพบวิธีที่จะใช้คลื่นนี้สื่อสารนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ดีแต่วิทยาศาสตร์มันแล้ว เ, เฉพาะขแขนงเราเรียนคนละขแขนงเนี่ยเราก็ไปเจาะลึกเรื่องเดียวนะแต่ความเป็นจริงของธรรมชาตินี่มันเยอะมากมันหลากหลายนะ สุดท้ายแล้วเราไปเรียนรู้สิ่งนั้นยกตัวอย่างถ้าพ่อครูถามว่านะักนะวิยาศาสตร์เคยไปแลกเปลี่ยนนะเขาบอกว่าเขาไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าทำไมอยากไปนิพพานก็บริจาคลูกเมียให้ขอทานสมัยเป็นพระเวสสันดร น, นะอะไรถามไม่ได้ก็บอกเช่นนั่นเอง <c oughs> ตฐาตานะวิทยาศาสตร์ไม่ชอบ มันต้องตอบได้มันต้องทดสอบได้บอกพวกผมบอกไม่ใช่ก็ทดสอบได้ก็ลองทดสอบสิแต่ต้องทดสอบด้วยตัวเราเองใช้เทคโนโลยีอะไรก็ช่วยไม่ได้ต้องเข้าไปในจิตตัวเองถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ว่าทําไมงูไม่มีขาทําไมคนมีสองขาทําไมวัวต้องมีสี่ขาผ้าทิศมาจากไหนพวกครูก็อยากรู้เหมือนกันตอบสิ ผูนะ้เจ้าบอกมันเป็นอจินไตาบางอย่างมันเป็นอจินไตมันเป็นตามธรรมชาติของมันและสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกเนี่ยชีวิตเราเนี่ยแสนสั้นไม่ถึงร้อยปีเนี่ยมันไม่มีเวลาเราไม่ได้มาเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้อะไรทั้งนั้นเราผ่านมาหมดแล้วเป็นมาหมดแล้วเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือพ้นทุก์สถานเดียวมันบางอย่างมเป็นอจินไตซึ่งมันมันเป็นทําไมทำดีถึงดีล่ะ ทำไมทาสีขาวมันถึงสีขาวล่ะทำไมไม่ไปเป็นสีแดงเหรอเนี่ยผู้เจ้าไปตัดสู้ความจริงตามธรรมชาติคือมันคือกฎของธรรมชาติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายเลยนะท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดเราวิจัยด้วยการปฏิบัติเองผู้ใดเข้าไปถึงเห็นความจริงนั้นแล้วนะ่ะ ผู้นั้นจะเข้าใจธรรมชาติทั้งหมดทุกอย่างไม่ไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะความจริงหลักความจริงมันมีไม่เยอะหรอกนะแล้วความจริงเหล่านี้มันก็เกิดดับมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ไว้ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปแต่ทีนี้มนุษย์เราถูกเซตอัพระบบภาษาความรู้ว่า ไปสร้างสร้างสร้างแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของกูมึงต้องอยู่ยงคงกะพันพอสิ่งนี้นี่มันแปลเปลี่ยนไปโดยสาเหตุเกิดอุบัติเหตุก็ดีไฟไหม้บ้านก็ดีหรือถูกอะไรก็ดีเนี่ยเราก็เลยทุกข์ไงบางคนบอกว่าทำไมทาไมธรรมชาติโหดร้ายอย่างนี้รักกันดีๆพรุ่งนี้จะแต่งงานกันแล้วคืนนี้เจ้าบ่าวถูกลดชนตายธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายนะ แล้วธรรมชาติไม่เคยบอกแล้วว่าอันนี้เป็นสามีเธอนี่เป็นภรรยานี่เป็นลูกเธอมนุษย์ไปสมมุติเอาธรรมชาติไม่ได้บอกธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายแต่เราเข้าใจผิดเองนะอันนี้เกินๆแล้วก็ค่อยๆดึงมาเมื่อกี้คาถามอะไรที่ ท, ท, ที่นั่นค่ะคำถามหนึ่งก็คือว่าอาการต่างๆนี้มีประโยชน์อย่างไรและทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรคืออย่างนี้ เราไปเห็นคนแก่คนหนึ่งหนึ่งอายุเกสบเดินมาหลังกโกงลุกก็โอยนั่งก็โอยโอ้น่าสงสารนะคนแก่คงทุกข์มากเลยเพ่อครูถามว่าทุกข์แค่ไหนรู้ไหมเรามีจะคาดคะเนเราไม่เคยเป็นตรงนั้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทุกข์แค่ไหนเราต้องรีวายไปสู่อดีตชาติใดชาติหนึ่งเราเคยแก่แบบนั้นเรากลายไปเป็นคนแก่เลยอยู่ในกรรมฐาน บางคนรีวายไปไปเห็นวิบากกรรมตัวเองไม่มีสองอย่างนะที่เราแสดงออกเนี่ยนะหนึ่งเป็นเรื่องอดีตที่เกิดเกิดขึ้นมาเราไปลิ้มรสมันไปเรียนรู้กันว่าอาการนั้นมันเจ็บปวดแค่ไหนสองเป็นอาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไปจ่ายหนี้กรรมทางจิตก่อนอนาคตไม่เกิดมันเป็นสองอย่างแต่ทั้งสองอย่างนี่ก็ช่นก็คือไปเรียนรู้กับมันก็คือวางล้างมันออกนะเรื่องนี้พูดได้แค่นี้ ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์นะมันยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แบบอัศจรรย์มากที่พระผู้ที่พระครูวินาทีที่เราเบิดนันไม่ลังเลไม่ผ่านความคิดพระครูถวายชีวิตเลยพระองค์พทธเจ้าไปเห็นได้ยังไงในเวลานั้นพระครูไม่รู้จากพระเจ้าพระครูไม่มีศินห้า มีฝรั่งคนหนึ่งเขาศึกษาประวัติพ่อครูก่อนจะมาพ่อครู3มชั่วโมงบรรลุธรรมแค่สามชั่วโมงประสบการณ์แล้วบอกพ่อครูไม่รู้พุทธเจ้าไม่มีศินห้าด้วยพ่อครูถวายชีวิตทําไมเขามีเหตุผล mm hmm. เหตุผลเขาเอาตักกะแบบชาติเดียวถ้าเอาประวัติชาติหนึ่งของพ่อครูเนี่ยตั้งแต่สี่สิบปีไปตามลกนักเลงเรียกพี่ศินห้าก็ไม่มีมันคงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนแบบนี้แน่นอนต้องบวกอดีตเข้าไปด้วย ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องชาติเดียวมันเป็นเรื่องของวัตะสงสารหลายแสนล้านชาติผ่านมาแล้วเราต้องเอาของเก่าบวกของปัจจุบันคือผลบุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผลเช่นเดียวกันอย่ายไปโยนให้กรรมเก่าฝ่ายเดียวกรรมเก่ามันผ่านไปแล้วเรามีหน้าที่ยอมรับมันเรียนรู้กับมันเพื่อไม่ให้เราสร้างกรรมใหม่แต่กรรมปัจจุบันเนี่ยชีวิตเป็นของเราแน่นอน เรามีสิทธิที่จะเลือกเราเปลี่ยนชีวิตเราได้เปลี่ยนกรรมได้นะโดยเราสร้างกรรมปัจจุบันดีว่าจะสร้างกุศลหรืออกุศลทุกคนเปลี่ยนชีวิตด้วยเราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้เราตรงไปก็ได้เห็นไหมอดีตเราไปเรียนรู้กับมันเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ให้หลงอดีตนะแต่ว่าอาดีตมันไม่หายไปไหนบุญกุศลที่เราสะสมมาปฏิบัติหลายชาติแล้วมันไม่หายไปไหนแต่เราเอาคิดแบบตรร ก, กะทุกวันนี้มาสอนฝึกจิต เริ่มนับหนึ่งใหม่ในชาตินี้มาใหม่ใช่ไหมกอไก่ขอไข่เอบตายก่อนแล้วก็เห็นนะ่ะครูบาอาจารย์เราเนี่ยนะบวชมา 3- 40สพรรษาแล้วสุดท้ายไม่ใช่ตายนะก็หลุดออกไปต้องไปจ่ายหนี้กรรมเก่าไปแต่งงานไม่ใช่ท่านผิดท่านถูกเพราะว่าท่านมัวแต่ไปเพิ่มสมาธิเพิ่มสติท่านไม่ได้เข้าไปสาสางหนี้กรรมเก่าแล้วก็ไม่ได้ขัดเกลาจิตให้ผ่องใส มีจะไปเพิ่มกำลังแต่ที่มันเปื้อนอยู่แล้วท่านไม่ได้ อ, อะไรออกเลยเห็นไหมละ่ะนี่คือความหลงหลงผิดหลงเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าผิดเมื่อกี้พูดว่าระลึกชาติอังที่ต้องอธิบายหน่อยหนึ่งเดี๋ยวฟังไปออกมาคิดว่าเป็นเรื่องที่มาอวดอุตลิมนุษยธรรมนะแล้วบอกว่าพุทธพุทธแท้หรือเปล่าถ้าพูดระลึกชาติปุ๊บเนี่ยพุทธแท้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสลุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวิชา3วิชาแรกคือบุพเพนิวาสานุสติญาณซึ่งคุณหมอเกิดเมื่อกี้เนี่ยคือศาสตร์ระลึกชาติพระองค์ไปเห็นอดีตที่เป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรๆนั่นแหละพระองค์ไปเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดบาปบุญคุณโทษแล้วก็กฎแห่งกรรมและพระองค์ก็ตัดสู้วิชาที่สองเนื่องจากประสบการณ์ตอนนั้นคือจตุปาตยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนกําหนดถ้าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้กรรมเราเป็นตัวกําหนดอันนี้ชัดเจน ทีนี้พระ อ, องค์ก็ไปเห็นว่าหลงสร้างกรรมมาตั้งหลายชาติแล้วเนี่ยเราจะมาจ่ายหนี้กรรมชาติเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงสมมติว่าอาดีตเราเนี่เป็นขุนศึกสมัยก่อนเนี่ยนะไม่ใช่สั่งอยู่ในห้องแอร์ให้เขาไปฆ่ากันนะเราต้องออกไปลบเลยนะฟันต่อหน้าเราเลยแหะมันบันทึกสัญญาเต็มเต็มเลยหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตเห็นไหมเหมือนองค์คุลิมาณ น, น่ะชาติสุดท้ายเนี่ยถามว่าฆ่าสัตว์ไหมไม่ ถ้าคน999ถ้าไม่รีบเผ่นออกจากวตาสงสารนะบังเอิญส่วนที่เป็นบุญก็เยอะก็ได้ไปเจอพระเจ้าเห็นไหมก็สว่างขึ้นมามันรูุ้ธรรมก็เลยออกบวชคือคือกรรมเราใจไม่หมดหรอกแต่ช่วงที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคเราก็ต้องจ่ายมันส่วนหนึ่งสมัสดิกรรมขนาดนี้บา ร, รมีขนาดนี้ไอแนวที่เราทํานี่มันลดทางนี้ด้วยมันเพิ่มทางนี้ด้วยเมื่อด้านกุศลมันมากกว่าเขาว่าตัดกรรม แต่คําว่าตัดกรรมไม่ใช่กรรมมันหมดนะแต่กรรมที่มันแสดงออกมาให้เรามันจะทําให้เราทุกข์ไม่ได้เพราะพระพเจ้าเองยังโดนเทวทัตเล่นงานกระทบแต่ไม่กระเทือนนอกจากวันใดถึงวาระสุดท้ายเราละสังขารนี้แล้วไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกธาตุนี้แล้วกรรมมันก็ไร่บี้เราไม่ได้ไม่ต้องจ่ายมันหมดไม่มีทางหมดนะแต่เวลาเราเดินทางกรรมมันก็ทวงเนี่ยเราก็ต้องจ่ายมัน เมื่อลดกรรมและฝ่ายบา ร, รมีเรามากกว่าเนี่ยคำว่าตัดกรรมนะตัดกรรมแล้วเนี่ยยกตัวอย่างว่ากรรมที่บันทึกไว้นในจิตเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ไปล้างได้ไหมล้างไม่ได้เขาก็ยังแคร์พระพุทธเจ้าอยู่ดีมันก็แกล้งพระพุทธเจ้าแต่กระทบไม่กระเทือนพระองค์มีเมตตามากนะไม่ต้องเอาโหัสิกรรมเทวทัตด้วยเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ตัดสินถูกผิดพระองค์รู้ว่าเทวทัตทําตามกรรมที่บันทึกในจิตเขา เรามีหน้าที่เพ่นไอ้กรรมก็ส่วนกรรมแหะสําคัญอย่าสร้างกรรมใหม่นะอันนี้พูดได้คร่าวๆแค่นี้ดีที่สุดก็คือทําตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆแต่อย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองและสิ่งนี้กลับบ้านก็ทําได้ไปเป็นอะกาลิโกไม่จํากัดการเวลาหรือสถานที่และเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดคือไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้เทคโนโลยี สิ่งที่ยิ่งใหญ่พระกูถวายชีวิตว่าโอ้โหพระเจ้าสุดยอดมากพระองค์เอาฐานทั้ง4ี่นี่กายเวทานจิตธรรมเป็นแค่เครื่องมือเดินทางแค่นี้พอไม่ต้องใช้เทคโนโลยีใดๆเลยนะไม่ต้องเสียสตังด้วยนะคะและเข้าทบทวนคำถามแรกนะคะเข้าง่ายมากเปิดจิตคือกายกับจิตเป็นหนึ่งหมุนไปแล้วว่างเรื่อยๆแป๊บเดียวเข้าเลยเปิดประตูเข้าไปเลยนะคะย้อนกลับมามีประโยชน์ เมื่อกี้พรอครูกับคุณหมอบัญชาบอกแล้วมีประโยชน์พี่ก้อยฟังแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่างน้อยอนาคตถ้าเกิดดิฉันขับรถไปดิฉันเข้าไปใช้นิกรรมในการเข้าสมาธิเวียงอินไซน์เอาแล้วดิฉันเข้าไปเจ็บในส่วนที่ดิฉันเคยเจ็บเมื่อในอดีตเคยทําคนอื่นแล้วดิฉันอาจจะไม่เจ็บในอนาคตเพราะไปชดใช้แล้วนี่คือประโยชน์มหาศาลมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็มาซื้อไม่ได้เพราะทุกคนต้องทําด้วยตนเอง นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ตอบโจทย์กับคําว่าพ้นทุก์แน่นอนนะคะทำไปเรื่อยๆเมื่อกี้พอครูบอกแล้วสร้างบารมีกรรมใหม่อยู่ในกรพิทักษเราไม่ทำเลยครูใกล้ประกาศแล้วเราไม่ทําเลยเราไม่ทํากรรมชั่วเราทําแต่กรรมดีในโรงเรียนตั้งใจสอนหนังสือเป็นวิทยาทานให้กับนักเรียนคิดดีๆกับผู้ปครองและนักเรียนเราก็สร้างบุญกุศลในแต่ละวันนะคะและเข้าไปลบล้าน วิบากกรรมในอดีตด้วยนะคะทีนี้ต่อนะคะเราเข้าจิตกันได้แล้วรู้แล้วเปิดประตูเข้าไปแล้วรู้แล้วเข้าไปล้องอย่างนี้ไม่ต้องมากลัวแล้วมันไม่มีผิดฟังผิดปกติเข้าไปเซิร์ชเซิร์ชถ้าเกิดพูดในเรื่องหุยศาสตร์เซิร์ชข้อมูลตัวเองในอดีตนะคะพูดอย่างเพื่อนพ่อครูก็คือเข้าไปลบล้งวิบากกรรมในอดีตนะคะเพื่อให้เราไม่มีทุกข์ในปัจจุบันและถ้าเกิดเข้าไปแล้วอย่างเช่นโปรแก ร, รมเครื่องมือนานาจิตตังก็มีคนเขียนมาเลยค่ะพ่อครูว่า